คู่มือชีวิตหมวดที่3การใช้เทคโนโลยีจากหนังสือคนไทยกับเทคโนโลยีสมเด็จพระพุทธโคสอาจารย์ปออประยุตโตจัดทาโดยวิช ย, ยาดามุงวิชาและประพีพลกรรมัชพลและครอบครัว คุณค่าของเทคโนโลยีไม่ใช่อยู่แค่การได้มีสิ่งเสษบริโภคอำนวยความสะดวกสบายแต่เทคโนโลยีมีคุณค่าอยู่ที่การพัฒนาคนคือเป็นเครื่องช่วยเกื้อหนุนอำนวยอกาสให้คนสามารถพัฒนาศักยภาพที่จะสร้างสรร์สิ่งดีงามนำชีวิตและสังคมเข้าถึงความสุขและอิสรภาพที่ลึกและกว้างยิ่งขึ้นไปเรื่องคนไทยกับเทคโนโลยี คนไทยยังใช้เทคโนโลยีแทบไม่ได้คุณค่าในการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศหรือสังคมต่างๆในโลกเราเป็นประเทศผู้บริโภคเทคโนโลยีในขณะที่บางประเทศก็เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีนี่เราก็เสียเปรียบขั้นหนึ่งแล้วทีนี้พอเราบริโภคเทคโนโลยีคือนำเทคโนโลยีมาใช้ก็มีปัญหาในการใช้อีกว่าใช้เพื่ออะไร การใช้แบบไหนมากในสังคมไทยการใช้มีสองแบบคือการใช้เพื่อเสพกับการใช้เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์เราดูตั้งแต่ประชาชนทั่วไปดูผู้ใหญ่ดูเด็กนักเรียนในโรงเรียนจนกระทั่งถึงในบ้านในครอบครัวว่าใช้เทคโนโลยีกันแบบไหนแต่ต้องรู้จักแยกก่อนว่าการใช้เพื่อเสพกับการใช้เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์ต่างกันอย่างไร พอแยกในปับ๊บเราจะเห็นคนไทยทันทีเลยว่าคนไทยส่วนมากใช้เทคโนโลยีเพื่อเสพหรือเพื่อศึกษาและสร้างสรร์ในการใช้เพื่อเสพกับใช้เพื่อศึกษาและสร้างสรร์ น, นั้นเปอร์เซนต์ในการใช้สองแบบเนี่ยจะต้องสมดุลขณะ น, นี้เราเสียดุลอย่างหนักเราใช้เพื่อเสพแทบจะ90อร์เซนคือหมดดุลเลยการใช้เพื่อศึกษาและสร้างสรร์แทบไม่มี แม้แต่เด็กๆ เ, เล็กๆที่มาวัดเมื่อคุยกับเด็กลองถามดูว่าหนูดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงก็ได้คาตอบว่าดูวันธรรมดาเท่านี้ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์เท่านี้ชั่วโมงทีวีเป็นเทคโนโลยีหนูใช้มันดูมันเพื่อเสพกี่เปอร์เซนต์เพื่อศึกษากี่เปอร์เซนต์เด็กคนหนึ่งอยู่ป .5 อ, อัตมาถามแกว่าหนูดูทีวีเนี่ยดูเพื่อเสพกี่เปอร์เซนต์เพื่อศึกษากี่เปอร์เซนต์ แกบอกอาตมาว่าดูดูเพื่อเสพเ9สอัตาตมาก็ถามแกตอบไปว่าและการดูทีวีเพื่อเสพกับเพื่อศึกษาอย่างไหนถูกต้องกว่ากันแกก็บอกว่าดูเพื่อศึกษาถูกต้องแล้วทำไมหนูดูเพื่อเสพตั้ง 99% อร์ซจะถูกหรือเด็กบอกว่าไม่ถูกก็ถามว่าเลาจะเอาอยัางไงถ้าไม่ถูกเรามาแก้ไขปรับปรุงกันเอาไหมเด็กบอกว่าเอา ถ้าอย่างนั้นเราลองมาช่วยกันคิดซิว่าเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปลองเริ่มว่าตอนนี้จะเอาเสพกี่เปอร์เซนต์ศึกษากี่เปอร์เซนต์เด็กตอบว่าเอาห้า0บห้าเราก็รู้ว่าเด็กตอบเอาใจพระก็บอกว่าหนูพระมิเรียกร้องจากเด็กมากอย่างนั้นหรอกเห็นใจสังคมของเรามันก็เป็นอย่างเนี้ยผู้ใหญ่ทำมาเป็นตัวอย่างเรามาตกลงกันลองวางดูสิ เอาแค่ให้ข้างศึกษามันเพิ่มขึ้นหน่อยในที่สุดก็ตกลงกันได้ว่าให้ดูเพื่อเซฟเจดสอร์ซดูเพื่อศึกษา 30% ซจากขั้นนี้เราค่อยๆก้าวต่อแต่มันจะเป็นไปเองถ้าเด็กเริ่มใช้เทคโนโลยีเช่นดูทีวีเพื่อศึกษามากขึ้นเขาจะพัฒนาความใยรู้และเขาจะมีความสุขจากการเรียนรู้และเขาจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการใช้เพื่อศึกษา ลราจากการใช้เพื่อศึกษาก็จะก้าวอีกขั้นหนึ่งไปสู่การใช้เพื่อสร้างสรรค์เชื่อไหมมันจะต่อกันแต่ถ้าใช้เพื่อเสพก็จะตันอยู่ที่นั่นเองวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏแห่งความยินดียินร้ายชอบชังแต่ถ้าใช้เพื่อศึกษาเขาจะก้าวต่อไปสู่การสร้างสรรค์เด็กอีกคนหนึ่งอยู่ป .4 คุณพ่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ก็ถามแกว่าที่หนูใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีคือคอมพิวเตอร์เนี่ยหนูใช้เพื่อเสพหรือเพื่อศึกษาเด็กบอกว่าหนูก็ใช้เพื่อเสพสิใช้เพื่อเสพยังไงล่ะก็เล่นเกมสิก็ถามว่าทำไมไม่ใช้เพื่อศึกษาล่ะเช่นหัดพิมพ์ดีเด็กก็ว่ามันไม่สนุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนว่า การเล่นเกมเป็นประโยชน์แก่เด็กไม่น้อยซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าการเล่นโดยทั่วไปเป็นกิจกรรมที่ช่วยการพัฒนาของเด็กโดยเฉพาะเกมบางอย่างช่วยฝึกสมองได้มากแต่พร้อมกับประโยชน์มันก็มีโทษด้วยและการที่จะมีประโยชน์มากหรือน้อยมีโทษมากหรือน้อยและมีประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันนั้นย่อมขึ้นต่อเงื่อนไขหลายอย่างเช่นเกมที่เล่นเป็นเกมอะไร ผู้ออกแบบทำขึ้นมาจากสภาพจิตและเจตจำนงที่มุ่งอะไรเด็กเล่นอย่างไรเด็กมีความรู้คิดแค่ไหนอยู่ในความดูแลชี้แนะนำทางหรือไม่อย่างไรเล่นภายในขอบเขตหรือโดยสมดุลกับกิจกรรมการศึกษาและสร้างสรรค์อย่างอื่นหรือไม่อิทธิพลและผลสะท้อนในทางชักจูงหรือกอ่อพฤติกรรมความคิดจิตนิสัยหรือสภาพจิตแต่ละด้านแต่ละด้านเป็นอย่างไร คุ้มหรือไม่เด็กใยหรือยอมรับกิจกรรมทางเลือกอื่นที่ดีกว่าได้แค่ไหนมีการคุมให้ได้ผลที่พึงประสงค์เช่นใช้เป็นสื่อนำสู่สิ่งที่เป็นสาระแท้ได้เพียงใดและที่สำคัญยิ่งซึ่งมักมองข้ามกันไปก็คือความหมกมุ่นกับเทคโนโลยีเกินพอดีที่ทำให้เด็กห่างเหินหรือถึงกับแลกแยกจากธรรมชาติและแม้แต่จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เวลานี้คนชอบอ้างรายงานผลการวิจัยในเรื่องต่างๆเช่นในด้านเทคโนโลยีซึ่งก็มีประโยชน์แต่ก็ต้องระวังไม่เฉพาะผลการวิจัยที่รับใช้ธุรกิจอุตสาหกรรมเท่านั้นแม้แต่การวิจัยที่บริสุทธิก็มักเจาะหาความจริงเฉพาะแง่เฉพาะด้านหรือแม้แต่เฉพาะจุดซึ่งจะต้องมองให้พอดีกับสถานะของมันหันกลับมาเรื่องเก่า เด็กชุดนี้ตกลงไปแล้วต่อมาอีกชุดหนึ่งหนึ่งก็ใกล้ๆ ก, กันฉเฉลี่ยใช้เทคโนโลยีเพื่อเสพอย่างน้อยแ0ดเปอร์เซนเราลองดูผู้ใหญ่สิเป็นอย่างไรผู้ใหญ่ไทยใช้เพื่อเสพมากหรือใช้เพื่อศึกษามากกว่าจะต้องเริ่มที่นี่ก่อนเช่นอย่างดูทีวีปรากฏว่าใช้เพื่อดูการบันเทิงใช้ดูหมวยตู้เสมากแม้แต่การใช้เราก็พลาดแล้วฉะนั้น จะต้องมีเปอร์เซนต์ของการใช้เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์ให้เพิ่มขึ้นและต่อไปการมีความสุขก็จะสัมพันธ์กับการใช้นี้ด้วยเพราะเมื่อเราพัฒนาการใช้ก็จะนำไปสู่การมีความสุขที่ต่างกาันตามวิธีใช้นั้นด้วยคือความสุขจากการเสพเทคโนโลยีกับความสุขจากการศึกษาและสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีความสุขจากการศึกษาและสร้างสรรค์ คือความสุขจากการสนองความต้องการในการใยรู้และความสุขจากการสนองความต้องการในการทำสิ่งทั้งหลายให้มันดีถ้ามีความสุขแบบนี้การพัฒนาจะเกิดขึ้นเองเพราะเราพัฒนาคนอย่างถูกต้องเอาละ่ะตอนนี้เห็นได้แล้วว่าสังคมไทยจะต้องแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเริ่มต้นตั้งแต่การใช้เพื่อเสพ กับการใช้เพื่อศึกษาและสร้างสรร์เวลานี้เด็กหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยีมากต่อไปการศึกษาตั้งแต่ในบ้านจะต้องมุ่งเน้นที่จะช่วยให้เขามีความสุขจากการใช้เทคโนโลยีทำการสร้างสรร์เด็กที่พัฒนาจะมีความสุขแบบนี้คือความสุขจากการใช้เทคโนโลยีทำการสร้างสรร์หรือความสุขจากการสร้างสรร์ด้วยเทคโนโลยี เขาจะมีความสุขจากการใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานไม่ติดอยู่กับการหาความสุขจากการใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมเขาจะใช้เทคโนโลยีทำการสร้างสรรค์ต่างๆขึ้นมาถ้าเด็กมาถึงขั้นนี้พ่อแม่อุ่นใจสบายใจได้และสังคมของเราก็มีหวังที่จะพัฒนาแต่ถ้าเด็กยังหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยีแล้วให้ระวังเถอะมันจะไปจบที่ยาบ้าเพราะเป็นพวกเดียวกัน การหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยีก็คือการหาความสุขจากการเสพชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันกับการเสพยาเสพติดเพราะจะต้องเพิ่มแรงกระตุ้นโดยปริมาณและดีกรีของสิ่งเร้าให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิมซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาวหรือขึ้นต่อเทคโนโลยีถ้าเพิ่มแรงกระตุ้นเร้าไม่ทันหรือไม่พอเกิดเบื่อนายขึ้นมาเมื่อชีวิตและความสุข ขึ้นอยู่กับการเสพเทคโนโลยีและวัตถุบำรุงบำรเรอแล้วพอเบื่อเทคโนโลยีและวัตถุเสพก็พลอยเบื่อหน่ายอยากนี้ชีวิตด้วยแล้วก็เลยเปิดช่องที่จะพาต่อไปหายาเสพติดและชีวิตก็อาจจะจบที่นั่นหรืออาจจะไปจบที่สิ่งเสพติดทางจิตที่มาในรูปของลัทธิความเชื่อและวิธีปฏิบัติลี้โลกหลบชีวิตแบบต่างๆย้ายจากปลายสุดข้างหลงโลก กลายเป็นหลอนจากโลกไปเลยในทางตรงข้ามถ้าคนมีความสุขจากการศึกษาและสร้างสรรค์แล้วเขาจะพ้นจากวิธีทางที่ผิดนั้นนี่คือเนื้อแท้สำคัญส่วนหนึ่งของการศึกษาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ได้ทั้งการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติทั้งพัฒนาจิตใจและพัฒนาเศรษฐกิจครบหมด ความเป็นนักศึกษาและสร้างสรรค์ทำให้ก้าวพ้นไปได้จากความสุขที่ขึ้นต่อสิ่งเสพสู่อิสราภาพและความสุขที่สูงขึ้นไปอย่างน้อยควรระลึกไว้ว่าคุณค่าของเทคโนโลยีไม่ใช่อยู่แค่การได้มีสิ่งเสพบริโภคอำนวยความสะดวกสบายแต่เทคโนโลยีมีคุณค่าอยู่ที่การพัฒนาคนคือเป็นเครื่องช่วยเกื้ อ, นนอหนุนอำนวยอกาส ให้คนสามารถพัฒนาศักยภาพที่จะสร้างสรรสิ่งดีงามนำชีวิตและสังคมเข้าถึงความสุขและอิสระที่ลึกและกว้างยิ่งขึ้นไปการมีเทคโนโลยีต้องหมายถึงการมีเครื่องช่วยพัฒนาภัญญาอย่างน้อยการพัฒนาเทคโนโลยีจะต้องคู่เคียงกันไปกับการพัฒนาอินทรีย์ไม่ใช่กลายเป็นว่าเทคโนโลยียิ่งก้าวหน้า อินทรีย์คือตาหูมือสมองของคนยิ่งหมดความละเอียดวาเฉียบคมความขัดเกลาละความอ่อนโยนนุ่มนวลกลายเป็นอินทรีย์ที่ทือ่อยากด้านกระด้างหืนกระหายก้าวร้าวรุนแรงที่จะถูกชัดพาไปด้วยแรงความอยากความปรารถนาของความไฝ่เศษ บ, บริโภคและการทำลายล้างเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์กัน เมื่อการพัฒนาคนถูกต้องก็แก้ปัญหาที่เดียวครบตลอดกระบวนการแต่ถ้าพัฒนาผิดแล้วก็วุ่นอยู่ในวังวนนั่นเองเวลานี้น่ากลัวว่าการศึกษาและการพัฒนาคนจะกลายเป็นการพัฒนาความฝ่ายเสพไปซะโดยนึกว่าถ้าคนมีความฝ่ายเสพแล้วเขาจะแข่งขันกันจะตั้งใจทำงานทำการจะเปล่าผิดเต็มประตูเลย เราจับปัจจัยที่แท้ไม่ได้เมื่อคนมีความใฝ่เสพสูงสังคมก็มีแต่คนที่ส่วนใหญ่เป็นนักบริโภคกลายเป็นสังคมบริโภคโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นของที่ต้องผลิตสังคมผู้บริโภคเทคโนโลยีก็กลายเป็นสังคมผู้ซื้อพกพ์เทคโนโลยีและเมื่อเป็นประเทศกำลังพัฒนาก็มกกลายเป็นผู้ซื้อ และเป็นผู้บริโภคหางแถวที่นอกจากตามเขาลาหลังท้ายสุดแล้วก็จะใช้ของที่แพงที่สุดด้วยเพราะผ่านเบี้ยบ้ายรายทางมากที่สุดเมื่อความเป็นผู้บริโภคหางแถวมาบวกเข้ากับความเป็นประเทศหรือสังคมที่กำลังพัฒนาความด้อยหรือความเสียเปรียบก็ยิ่งหนักหนาจนกระทั่งว่าถ้าไม่มีหลักและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง จะกลายเป็นเครื่องผูกรัดมัดตัวให้จมอยู่ภายใต้ความล้าหลังและความด้อยพัฒนานั้นอย่างยั่งยืนหรือยิ่งต่ำลงไปความด้อยหรือความเสียเปรียบมีหลายด้านแต่ที่เห็นชัดเห็นง่ายก็คือด้านเศรษฐกิจเช่นอย่างคนไทยที่ซื้อผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีมาใช้เมื่อเทียบกับคนในประเทศพัฒนาแล้วเช่นอย่างอเมริกาจะมีฐานะเป็นผู้มีรายได้ต่า แต่ซื้อของแพงหรือได้น้อยแต่จ่ายมากยกตัวอย่างคนไทยเมื่อเติบโตขึ้นและจะเริ่มต้นชีวิตของตนเองเช่นจบการศึกษาแล้วจะเริ่มทำการงานโดยเฉพาะผู้ที่จะเริ่มทำธุรกิจก็มักจะคิดถึงการมีรถยนต์ส่วนตัวทั้งนี้ด้วยเหตุผลทางค่านิยมไม่ว่าจะถูกบีบหรือถูกกลืนหรือโดยหลงไหลเองก็ตามผาสมกับปัญหาการจราจร ถ้าเป็นคนที่มีรถนิยมพอจะสูงสักหน่อยคือไม่ถึงกับสูงทีเดียวก็จะซื้อรถยี่ห้อที่นิยมกันว่าเป็นชั้นดีเอาแค่ราคาไม่ถึงล้านสัก 9,60,000 บาทหรือถ้าซื้อในอเมริการถคันเดียวกันเนี่ยมีราคาประมาณ 25,000 ดอลลาร์คือ0 0 0 0 0บาทเศษถ้าคนไทยไวัยหนุ่มสาวผู้นั้นจบการศึกษาปริญญาโททำงานเอกชน มีรายได้ดีพอควรได้เงินเดือนสูงถึง 15,000 บาทในที่นี้ท่านพูดไว้เมื่อปีพุทธศักราช2540นะครับได้เงินเดือนสูงถึง 15,000 บาทเก็บเงินเดือนไว้ทั้งหมดไม่ใช้กินอยู่อย่างอื่นเลยซึ่งก็คงจะเป็นไปไม่ได้และไม่นับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นตามเวลาจะต้องรอถึงเกือบหปีครึ่งจึงจะซื้อรถคันนั้นด้วยเงินสดได้ ยิ่งถ้าเข้ารับราชการได้เงินเดือน 8,000 บาทจะต้องเก็บเงินไม่ใช้เลยนานถึง10ปีจึงจะซื้อได้แต่คนในประเทศอเมริกาจบปริญญาโททำงานได้เงินเดือนระดับทั่วไปเดือนละ 2,500 ดอลลาร์เขาเก็บเงินเพียง10เดือนก็ซื้อรถยนต์ค่อนข้างดีคันเดียวกันนั้นได้แล้วแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องของถูกไรายได้สูงของแพงไรายได้ต่ำ ก็คือเรื่องค่านิยมที่อยู่ในจิตใจภายใต้กระแสหล่อล้อมหรือผลักดันของสังคมกล่าวคือในสังคมไทยเรานี้คนซื้อหารถยนต์ไม่ใช่เพียงในความหมายว่าเป็นยานพาหนะเครื่องใช้ในการเดินทางแต่หมายถึงความมีหน้ามีตาความเด่นความโก้และความนิยมเชื่อถือเป็นสําคัญข้อนี้คนไทยจึงถูกพวกนักต้มตุนนั่งรถโก้มาหลอกเอาได้บ่อยๆ ด้วยความนิยมนี้ทำให้รู้สึกจำเป็นที่จะต้องมีรถยนต์ดีๆใช้เกินความจำเป็นในการใช้งานจริงต่างจากคนในสังคมอเมริกันที่โดยทั่วไปมองรถยนต์เป็นเพียงยานพาหนะเครื่องใช้ในการเป็นอยู่เมื่อมีใช้อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปไม่ต้องทุรนทุรายเที่ยวซื้อหามาแสดงหน้าแก่ใครก็เลยมีเวลาและความคิดที่จะไปใส่ใจกับเรื่องอื่นที่เป็นสาระมากกว่า เมื่อมองในแง่ของการแข่งขันตามสภาพของยุคสมัยปัจจุบันแล้วลองเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าสังคมอเมริกันถึงแม้เวลานี้เขาจะตกอยู่ในภาวะที่โทมหนักแต่เขาก็ยังมีการแข่งขันในเชิงปัญญาสูงกว่าในขณะที่สังคมไทยของเราจะเด่นไปข้างการแข่งขันในทางโมหะซึ่งไม่เป็นเรื่องดีที่น่าสบายใจเลยที่ว่ามานี้ไม่เฉพาะในด้านสินค้าที่เรียกกันว่าฟุ่มเฟือย แม้แต่สิ่งของเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนพัฒนาสังคมโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาคนไทยก็ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบที่ต้องซื้อของราคาสูงด้วยทุนของผู้มีรายได้ต่ำเช่นเดียวกันขอยกเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวอย่างปัจจุบันคือในปี2540นี้ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยได้ลดต่ำลงมาก นอกจากเป็นภาวะการทั่วไปในโลกแล้วยังเป็นเพราะการลดภาษีด้วยเมื่อสิบปีก่อนเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกเก็บภาษี30กว่าเปอร์เซนต์ต่อมาทางการได้ลดภาษีคอมพิวเตอร์ลงเหลือประมาณ 5% เปอร์เซตเวลานี้คนไทยทั่วไปพอจะซื้อหาคอมพิวเตอร์มาใช้ได้ในราคาไม่สูงนักอย่างไรก็ตามถ้าจะซื้อเครื่องที่ติดตัวไปไหนไหนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง ก็ยังต้องซื้อหาในราคาที่นับว่าแพงเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้อดีชั้นค่อนข้างดีมีเครื่องอ่านซีดีรอมในตัวเครื่องหนึ่งราคายังไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อกลางปีพุทธศักราช2539ในเมืองไทยขาย 19,000 บาทในอเมริกาขาย 3,299 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยในเวลานั้นประมาณ 82,500 บาท คนอเมริกันในยุคนั้นทํางานข้าวแรงอย่างต่ําวันละประมาณพันบาทเก็บรายได้ไว้ยี่สิบอร์ซนใช้เวลา1ปีครึ่งโดยคิดวันทํางานแค่เดือนละ24วันก็ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้แต่คนไทยที่ทํางานอยู่ในต่างจังหวัดได้ข่าวแรงอย่างต่ําวันละ150บาทเก็บรายได้ไว20้ 20% อร์ซนจะต้องรอไปถึง12ปีครึ่งจึงจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนั้นได้ กว่าจะได้ใช้ก็จะแก่เสียแล้วแต่คอมพิวเตอร์ถ้าเพื่อปัญญาคงไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ปมปัญหาสำหรับคนไทยอยู่ที่สินค้าของใช้ฟุ่มเฟือยที่จะบำรุงความสุขอำนวยความสะดวกสบายและมีความหมายในเชิงอวดโก่แข่งกันทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องเสียงดีๆตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าเป็นต้น ทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นทั้งจำเป็นแท้และจำเป็นเทียมซึ่งมีราคาแพงและประดังเข้ามาลหลายๆอย่างคนไทยไม่มีทางอื่นจึงต้องหันไปพึ่งระบบเงินผ่อนซึ่งหมายถึงการเป็นหนี้อย่างหนึ่งแต่เป็นหนี้ที่พอจะมีหน้าสาหรับหลายกรณีเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและเป็นทางออกที่ดีอย่างหนึ่งในการผ่อนเบาปัญหาการเงินแต่จะมีโทษมาก เมื่อเพลิดเพลินชะล่าใจทำให้ตกอยู่ในความประมาทอะไรๆก็ผ่อนส่งเมื่อส่งไม่ทันก็ต้องไปกู้หนี้มาสงผ่อนทำให้ชีวิตตกอยู่ใต้ความผูกรันห่วงกังวลสูญสิ้นอิสรภาพความสงบใจและความรู้สึกมั่นคงขาดสมาธิไม่มีความแน่วแน่มั่นใจในการดำเนินชีวิตและทำการงาน คนอเมริกันอยากซื้อเครื่องใช้หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยคำนวณเวลาแล้วก็เห็นความหวังชัดเจนว่าตนทำงานในเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็จะซื้อได้แล้วก็ตั้งใจทำงานด้วยความมั่นใจมุ่งมั่นทำงานไปโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรอื่นแต่คนไทยถ้าเป็นคนมีไรายได้น้อยก็แทบมองไม่เห็นความหวังที่จะซื้อเครื่องใช้หรืออุปกรณ์นั้นได้ด้วยเงินที่ไดจากการทางาน ทำให้ไม่มีความมั่นใจในการทำงานถ้าไม่เข้มแข็งจริงจิตใจก็จะฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มองหาทางที่จะได้เงินด้วยวิธีอื่นเช่นกู้หนี้ยืมสินถ้าเผลอตัวก็อาจจะเลยออกไปทางชุจริตแม้แต่เมื่อพอจะมีเงินมีทองขึ้นมาและแม้จะระมัดระวังในเรื่องการเงินว่าต้องให้ได้มากกว่าเสียก็มักระวังแต่การใช้จ่ายด้านอื่น พอถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีก็ฟุ่มเฟื่อยใจที่มัวแต่คิดตามให้ทันยุคสมัยหรือความเด่นนำทางหน้าตาทําให้ใช้จ่ายสุรุยสุรายเสียมากกว่าได้ความด้อยความเสียเปรียบและความสูญเสียของคนไทยแต่ละคนเนี่ยก็หมายถึงความด้อยความเสียเปรียบและความสูญเสียของสังคมไทยและประเทศไทยด้วย นอกจากใจครุ่นคิดหาไรายได้พิเศษเพื่อซื้อสิ่งฟุ่มเฟือยทำให้งานขาดประสิทธิภาพด้อยคุณภาพท่วงความเจริญของประเทศชาติพร้อมทั้งปัญหาสังคมที่เกิดจากการทุจริตและอาชญากรรมต่างๆแล้วคนพอจะมีพอจะได้เงินมาก็นึกถึงแต่ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีรุ่นใหม่แปลกหูแปลกตาที่จะเอามาเสร บ, บริโภค ไม่มีช่องให้เอาใจใส่หรือคิดถึงสุขทุกข์ของเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเงินที่ใช้จ่ายมากมายแทนที่จะเป็นเครื่องช่วยเกื้อหนุนหรือแก้ปัญหาของคนไทยด้วยกันก็ถูกทุ่มเทไปกับสินค้าเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีที่มีราคาสูงเป็นไรายได้ส่งออกไปให้แก่ต่างประเทศที่รวยกว่าในขณะที่ประเทศของตนได้โอกาสและเสียเปรียบประเทศเหล่านั้นในทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว ยังจะต้องกู้หนี้ยืมสินจากประเทศเหล่านั้นเพื่อเอาไปซื้อสินค้าของเขาเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าคอยหากำไรมาเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้านี่ของตนเองในขณะที่คนไทยจำนวนมากมีชีวิตที่หมกจมอยู่ใต้กองหนี้สินประเทศไทยก็ถูกพันฒนาการด้วยหนี้สินระหว่างชาติจำนวนมหาศาลที่ประชาชนไทยจะต้องแบกภาระต่อไปยืดเยื้อยาวนาน ถ้าไม่รีบกลับตัวก็ต้องเกินกว่าชั่วอายุลูกหลานแต่ผลเสียที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นก็คือการที่คนไทยมัวเพลิดเพลินหลงไหลกับความฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟื่อยและยิ่งเสริมแรงความใฝ่เสพและความเป็นนักบริโภคทาให้เห็นแก่ความสะดวกสบายเฉยชาและยิ่งอ่อนแอเลื่อนไหลลงไปใต้กระแสของระบบผลประโยชน์ สวนทางกับการที่จะมีพลังพัฒนาตนให้เป็นคนที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้แต่อ t ทีคือเทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลที่น่าจะเป็นเจ้าบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาเสริมสร้างปัญญาก็เสียดุลให้แก่การใช้เชิงเสษบริโภคและธุรกิจโฆษณามีบทบาทที่เบี่ยงเบนไปในทางเสริมโมหะมากกว่าพัฒนาปัญญา ถ้าเป็นอย่างนี้นานไปคนไทยจะหาอะไรซึ่งจะเป็นที่ภูมิใจและมั่นใจในตนเองและในสังคมของตนได้ยากจะมีก็แต่ความตื่นเต้นฟู่ฟ้าหือฮากันไปตามกระแสชักพาของค่านิยมที่ฉาบฉวยเลื่อนลอยแล้วก็พาตัวเองไปเป็นเหยื่อของผู้ผลิตภายใต้วัฒนธรรมบริโภคเพราะฉะนั้นคนไทยจะต้องรู้ตัวตื่นขึ้นมา อย่าปล่อยตัวปล่อยใจหลงร่เริงมัวกระยิมในความรู้สึกโก้เกะทันสมัยและมองไปแต่ในทางที่จะหาเสพหารบริโภคแต่จะต้องซื้อต้องใช้ต้องปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันตั้งความรู้สึกรับผิดชอบต่อประเทศไทยต่อสังคมและต่อเพื่อนร่วมชาติเห็นระหนักในผลดีผลเสียต่อชีวิตต่อสังคมต่อโลก และความเสียเปรียบของประเทศชาติที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ใจ่ายเสบบริโภคแต่ละครั้งของตนมองถึงการสูญเสียผลประโยชน์ของประเทศชาติและภาระที่สังคมจะต้องแบกรับสืบเนื่องต่อไปข้างหน้าแม้จะต้องซื้อต้องใช้ของแผงก็ทำด้วยปัญญาที่มีหลักคิดมองเห็นเหตุผลอย่างชัดเจนและมีจุดมุ่งหมายพร้อมทั้งมีจิตสานึก ที่จะใช้สิ่งนั้นให้ได้ประโยชน์จากมันอย่างคุ้มค่าเกินราคาของมันให้ได้มากกว่าจ่ายหรือให้ได้มากกว่าที่เสียไปทั้งแก่ชีวิตของเราและแก่สังคมไม่ซื้อมาเพียงเพื่อเสบบริโภคให้หมดเปลืองไปแต่ให้มันเกิดผลในทางสร้างสรรค์ที่จะทําให้ชีวิตและสังคมของเราขยับก้าวดีขึ้นไปให้จงได้เช่นถ้าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ ก็ตั้งใจมั่นว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ให้ได้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์มากกว่าที่คนในอเมริกาใช้มันอย่างน้อยอีกหนึ่งเท่าตัวถ้าทำได้อย่างนี้ทุกอย่างจะคุมตัวของมันเองและชีวิตสังคมและประเทศชาติก็จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ในเวลาไม่นานเลยอีกทั้งคนไทยก็จะก้าวขึ้นไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของโลกได้ด้วย ทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคนไทยตื่นตัวขึ้นมาด้วยความตื่นทางปัญญามีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความปรารถนาดีฝ่ายสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมของตนอย่างแท้จริงซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยการพัฒนาคนที่ชาวไทยทุกคนตั้งใจพัฒนาตนเองขึ้นไปโดยไม่ประมาทถ้าคนไทยรุ่นผู้ใหญ่ไปไม่ไหวหมดหวังแล้วก็ต้องเริ่มกันจริงๆ ที่อนุชนคนรุ่นต่อไปโดยมุ่งมั่นเน้นหนักที่การศึกษาที่ถูกต้องการศึกษาแท้เริ่มที่บ้านโดยพ่อแม่เป็นครู__อาจารย์คนแรกดังที่พระสอนว่ามารดาบิดาเป็นบูรพาจารย์คือครูต้นหรืออาจารย์คนแรกถ้าจะนำเด็กเข้าสู่การพัฒนาที่ถูกทาง เพื่อให้ได้ผลในการเสริมสร้างความใฝ่รู้สู้สิ่งยากความใฝ่ศึกษาใฝ่สร้างสรรค์ความเป็นนักผลิตนักสร้างสรรค์และพร้อมกันนั้นก็จะได้ผ่อนลดอิทธิพลของค่านิยมใฝ่เสพวัฒนธรรมบริโภคความอ่อนแอเห็นแก่สะดวกสบายและวิถีชีวิตที่เปิดกว้างสู่ทางแห่งการเสพยาบ้าพ่อแม่ทุกบ้านนั่นเองจะต้องเริ่มต้น และสำหรับคนไทยจุดเริ่มอยู่ที่นี่จงถามเด็กไทยให้น้อยลงว่าอยากได้อะไรแต่จงถามเด็กไทยให้มากขึ้นว่าอยากทำอะไรจากอยากทำอะไรก็ก้าวต่อไปว่าอยากรู้ว่าจะทำอย่างไรและจะต้องรู้อะไรแล้วพ่อแม่ก็คอยหนุนและให เพื่อสนองความใยรู้และใยสร้างสรรนี้โดยช่วยโยงการรู้และการสร้างสรรนั้นไปเชื่อมต่อกับกุศลให้ได้ต่อไปเอาละ่ะขอพูดถึงเรื่องคนไทยกับเทคโนโลยีไว้เท่านี้ก่อนถ้าเราพัฒนาคนไทยในการสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเทคโนโลยีได้ถูกต้องเราจะได้ความใยรู้สู้สิ่งยากหรือใยศึกษาใยสร้างสารร เป็นอย่างน้อยซึ่งแม้แต่ยังไม่ได้คุณสมบัติอย่างอื่นมาอีกเพียงแค่นี้ก็พอที่จะพัฒนาสังคมไทยไปสู่ความมีใช้ในระบบแข่งขันของโลกและพร้อมที่จะเดินหน้าพ้นเหนือการแข่งขันไปสู่การช่วยแก้ปัญหาของโลกและเป็นส่วนร่วมอย่างสำคัญในการนำโลกไปสู่สันติสุข